ยาซีเรียกรเรื่องหาคนพูดจริงรัชกาลที่หได้ให้นำอาหารจากวัง มาถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตท่านก็เอาอาหารนั้นไปเทลงกระทะแล้วก็ไปเก็บผักอะไรต่ออะไรที่มีขึ้นอยู่ตามหน้าวัดไปรวมต้มด้วยกันใส่เกลือสามถุงใส่น้ำเต็มกระทะคงมีอาหารที่เทลงไปเพียงนิดหนึ่งท่านเจ้าประคุณสั่งตีกลองบอกกล่าวพระเนนทั้งหลายว่า วันนี้สมเด็จโตจะเลี้ยงพระให้ทุกคนมารับอาหารซึ่งพูดตามความจริงแล้วอาหารที่ท่านทำขึ้นนั้นกินไม่ได้หรอกเมื่อทุกคนมารับอาหารจากท่านไปแล้วตกเย็นพอจะเข้าไปโบทถสวดมนต์เย็นท่านเจ้าประคุณสมเด็จรีบไปถึงโบสถ์ก่อนคนอื่น และได้ยืนดักถามพระทุกรูปในวัดทั้งหมดซึ่งมีอยู่29รูปถามว่าอาหารที่ท่านปรุงวันนี้อร่อยไหมพระทุกรูปตอบว่าอร่อยบ้างพอกินได้บ้างในจำนวนพระทั้งหมดซึ่งมีอยู่2 9รูปมีอยู่องค์หนึ่งชื่อครัวตาจ้อนครัวตาจ้อนผู้นี้ รักษาศีลข้อมุสาวาดไว้ได้เป็นอย่างดีบอกว่าขอโทษท่านเจ้าประคุณสมเด็จขอให้กระผมพูดอย่างจริงใจเถิดอาหารที่ท่านเลี้ยงวันนี้หมามันยังไม่กินเลยท่านยกมือพนมกล่าวว่าสาธุบัดนี้ลูกของตถาคต ยังมีอยู่ในวัดระฆังหนึ่งองค์พอเข้าไปในโบสถ์ท่านก็เทศคำว่ามุสาวาทาเวระมณี